ปกติเราก็พาสวดนิดหน่อยสิบกวนาทีคือวันนี้เห็นเป็นวันสําคัญเลยพาสวดเยอะหน่อยที่อื่นเนี่ยวันนี้เขาต้องสวดธรรมจักรนะแท้จริงวันนี้เป็นวันที่สวดธรรมจักรในถูกอ่าเพราะวันนี้เป็นวันผู้เจ้าแสดงธรรมจักรได้แต่เราถ้าเราสวดก็มันน่าจะสวดคนเดียวมากเนี่ยฮะไม่ไหวแล้วอะ Oh, โอ oh, ้สวดธรรมจักรกับฟ้าคนเดียวนั่นแหละอย่าว่าเลยนี่คราวที่แล้วเนี่ยไปสวดที่งานหลวงปู่สุวัตเนี่ยพอดีท่านเจ้าคุณท่านขึ้นธรรมจักรเนี่ยเลยสวดสององค์โอ้ขอบผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าสวดแน่ยุดแน่สวดแน่หยู่แนฟ้าเจ้าของผู้เดียวนั่นแหละนี่เมษาที่ที่แล้วเนี่ยงานครบรอบหลวงปู่สุวัตเนี่ย อาจารย์จีรวัตรไปไม่ทันท่านไปวันหลังท่านไปวันงานเราไปก่อนงานวันหนึ่ง ว, รร ว, รรวันนี้เป็นพาสวดธรรมจักจะคุณภาสวดธรรมจักวันนี้มันเป็นเดือนแปดวันท่านแสดงธรรมธรรมจักจักคือธรรมจักแหง่งธรรมจักแห่งธรรมนี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอุ ป, ปมาเป็นดุมเป็นล้อที่เราเห็นนั่นแหละเหมือนกับล้อเกวียนนั่นแหะ เป็นดุมเป็นกองเป็นเพลาเป็นดุมเป็นกองเป็นกรำนะเป็นทำไมจับเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของการหมุนไปของธรรมธรรมหมุนไปแล้วหมุนหมุนไปที่พระไถยของพระศาสดานะไปบดไปขยี้กิเลสตัณหาอาสะวะหมดไปแล้วจนะได้มาแสดงกับพระอระัญโยชนญะวัปปะพัทธิมหานามอาสจิ ชิจะดินไอ้ฤาษีทั้งห้าเนี่ยแสดงธรรมะจังนั่นแหละพอแสดงจบพระอัญญากณัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแสดงว่าล้อแห่งธรรมนี่บทขยี้กิเลสในหัวใจของพระอัญญากณัญยะนี่แลกไปเป็นชิ้นเป็นส่วนบางชิ้นบางส่วนเป็นขั้นเป็นตอนวันนี้แหละเป็นธรรมะกันแรก แล้วก็เป็นผลงานชิ้นแรกด้วยเป็นเป็นผลงานที่ชิ้นแรกที่พระองค์แสดงแสดงแสดงกับกับนักบวชว่า ง, งั้นเถอะพวกฤาษีฤาษีก็เป็นนักบวชนะเนี่ยเยอะเป็นการแรกหรืเปล่าน่าจะไม่ใช่การแรกแต่เป็นทำสูตรยาวๆเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการนี้เป็นการแรก แต่ธรรมะที่พระองค์แสดงอ๋อเออใช่พระัญญากณฑัญญานี่แหละเป็นธรรมแรกเป็นการแรกได้บนรลุธรรมได้เป็นพระโสดาบันธรรมะจักกับประวัตินาสูตรความเป็นไปของจัตแห่งธรรมไปบทไปขยี้กิเลสตัณหาอาสวะในหัวใจเพราะพระอัญญากณฑัญญาเนี่ย จนเหตุเป็นเหตุให้พระองค์ร่าอุทานออกมาอัญญสิวัตโพโกนันโยอัญญสิวตโพโกนันโยโอ้โกุณฑัญญะได้รู้แล้วหนอะกุณฑัญญะได้รู้แล้วหนา อ, อ่ะมันเป็นคําอุทานนะมันเป็นคํารำพึงรำพันแสดงถึงความพอใจว่างั้นเถอะคำว่าพอใจในที่นี้มันไม่ใช่พอใจด้วยอำนาจของกิเลสนะเป็นการพอใจด้วยผลงานที่แสดงออกไปแล้ว คนอื่นรับรับไปชำระจิตแล้วก็ได้ผลนวันนี้วันเพรเดนแปดธีปาวันแรมหนึ่งค่ำพระวัปปะได้ดวงตาเห็นธรรมวันแรมสองค่ำพระพัทธิยะได้ดวงตาเห็นธรรมวันแรมสามค่ำมหานามะได้ดวงตาเห็นธรรมวันแรมสี่ค่ำ พระอัจฉริได้ดวงตาเห็นธรรมพอวันแรมห้าค่ำวันแรมห้าค่ำนะพรงแสดงธรรมะกันที่สองอนัตตลัคนาสูตร อ, อ, อนัตตลัคนาสูตรแสดงอนัตตลัคนาสูตรเนี่ยฤาษีทั้งห้าเป็นพระโสะดาบันทั้งหมดแล้วหลังจากฟังอนัตตลัคนาสูตรได้เป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมด รวมเป็นผ้าหรหันหกองค์ทั้งพระพุทธเจา้า น, น, นะปีนั้นอ่ะปีแรกที่พระองค์ไปจำพรรษาที่ป่าอิสิปันาเมรุกทายวันแล้วก็วันที่แสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคือวันนี้คล้ายๆวันนี้วันเพลนเดือนแปนี่แหละพวกเราพูดระลึกน้อมนึกตามเรื่องราวร่องรอยของพระองค์ เพื่อเป็นกําลังจิตเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติบ้างเพราะเราต้องการดาต้องการเดินตามรอยเท้าของของพระองค์ไปเพื่อได้ยินเพื่อได้ฟังเพื่อเป็นเครื่องประดับสติประดับปัญญาเป็นข้อคิดเป็นกติเตือนใจเป็นกําลังจิตเป็นกําลังใจท่านแสดงท่านแสดงทางสามทาง ใจความโดยย่อในธรรมจักรนะเบื้องต้นท่านแสดงทางสามทางหมายถึงทางปฏิบัติทางในที่นี้หมายถึงทางปฏิบัติอัตติกรรมมัทานโยกกามสุขลริการโยกกามสุขาริการโยคประกอบตนผัวพันในกามนี่เป็นทางที่หย่อนเกินไป อันตกิลมถทานโยกทรมานตนอันนี้ก็เป็นทางที่แข็งเกินไปทั้งย่อนทั้งแข็งนั่นแหละมันไม่ถูกทางทั้งนั้นแหละมันไม่ถูกทางที่จะทำให้บรรลุธรรมขึ้นมาได้การหมกมุ่นในกามมันก็เป็นผลผลของกิเลสทั้งหมดในเมื่อเอากิเลสบวกกิเลสมันก็เป็น ม, ม, ม, ม, ม, มหากิเลสนะแทนที่จะเป็นธรรมขึ้นมามันไม่เป็น พระชนะการหมกมุ่นในกามเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมการพยายามห่างออกจากกามต่างหากเป็นธรรมธรรมเราใดเป็นไปเพื่อเพื่อประสิจักรราคะประสิจักรโทสะประสิจักรโมหะธรรมเหล่านั้นเนี่ยเป็นธรรมของพระศาสดาธรรมเราใดเป็นไปเพื่อราคะเป็นไปเพื่อโทสะเป็นไปเพื่อโมหะไม่ใช่ธรรมไม่ใช่คําสอนของพระศาสดา อันนี้เราไปตัดสินใจได้เลยเอาข้อนี้ไปตัดสินได้เลยเราเห็นพฤติกรรมของของเราก็ตามมันเกิดขึ้นในใจของเราเห็นพฤติกรรมของคนอื่นก็ตามแสดงพฤติกรรมแบบนี้ art เป็นไปเพื่อกามเป็นไปเพื่อโลภเพื่อโกรธเพื่อหลงเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อธรรมเป็นไปเพื่อกิเลสเป็นไปเพื่อละโลภละโกรธละหลงละกิเลสตัณหาสว่าเนี่ยอันนี้คือธรรม เป็นธรรมขระาารรมของพระศาสดาเป็นธรรมะของพระศาสดาเพราะฉะนั้นการมาสุขาลิกานโยนะนะเป็นทางเดินของของปุถุชนฮิโนกรามโเป็นทางเดินที่เลวเป็นทางเดินของชาวบ้านเป็นทางเดินของคนมีกิเลสนะพระองค์ทรงตำหนิอัตติรามมัทฐานนโย อาตกิลมัอาตกิลมัฐานโยโกรุกโขเนี่ยเป็นไปเพื่อประกอบตนไว้ในทุกเราจะเห็นได้ว่าทำเหลา่าใดเหล่าหนึ่งที่ประกอบตนเองให้เกิดทุกข์คำว่าทุกข์ในทีน่นี้หมายถึงทุกข์อันเป็นผลผลของกิเลสนะมันไม่ใช่ทุกข์จากการเหน็ดการเหนื่อยการร้อนเกินไปการหนักเกินไปการลําบากเกินไปนั่งทรมานจนเจ็บจนปวดจนอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ค น, คนละเรื่องกันนะ เป็นการทรมานตนให้เหน็ดเหนื่อยเปล่าคือทําไปแล้วไปทรมานร่างกายคือเมื่อออกมาไปประกอบทุกขติริยาเจ็ดหกหกปีไม่ได้ผลอะไรไม่มีผลอะไรเพราะไปทรมานกายเฉยๆร่างกายไม่ใช่กิเลสแต่ร่างกายมันเป็นผลผลของกิเลสแสดงว่าแสดงว่าเราพยายามเราพยายามฆ่าฆ่าผิดที่ เราพยายามดับทุกผิดที่เราพยายามดับไฟผิดที่ดับยังไงมไฟมันก็ไม่ดับเพราะมันดับไม่ถูกะเหมือนอย่างควันมันฟุ้งออกไปเนี่ยเราก็เอาเป so ็ like, นเอาน้ำสะอาดใส่ค <Adrian> ว <listening. S 1> <spe> ันเปลวมันพุ่งออกไปเนี่ยเอาน้ำสะาดใส่เปลวมันจะดับได้ไงมันดับไม่ได้สาดใส่ควันเนี่ยดับไม่ได้สาดใส่เปลวดับไม่ได้ต้องสาดใส่กองไฟ ไฟกับฟืนมันกินกันอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาไฟศาสตเอาน้ําศาสไฟเอาน้ําศาสใส่ตรงนั้นเน่ยนน ด, นนนดับไฟตัวนั้นดับเนี่ยเป็นไปเพื่อประกอบตนให้ให้อยู่ในทุกข์นี่ก็ไม่ใช่ทำไม่ใช่คําสอนของพระศาษษษษสดาสองทางนี้ท่านจําหนียทางหนึ่งเคร่งเกินไปทำเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ได้อัดได้ทําทางหนึ่งตึงเกินไปประกอบเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไม่ได้อัดได้ทํา เพราะมันไม่ถูกที่ดับไฟไม่ถูกที่ทั้งสองทางอะไรดับไฟไม่ถูกที่พระองค์เปิดสายทางเส้นใหม่ให้เดินมัชชีมาปฏิวัติธาเป็นทางสายกลางคําว่าสายกลางเพราะอะไรเพราะมีข้ออุปมาสายแรกคือสายตึงเกินไปสายสองคือสายหย่อนเกินไปสายนี้เลยออกมาเป็นคําว่าสายกลางเป็นสายกลางในเมื่อ ตึงเกินไปในเมื่อหย่อนเกินไปมันก็มันก็ต้องมีกลางๆถึงจะพอดีเป็นมัชชิมาปฏิปทาประกอบไปด้วยมัคมีองแปดเนี่ยอันนี้เป็นไปเพื่อเพื่อมัคเป็นไปเพื่อผลเป็นไปเพื่อวิมุติเป็นไปเพื่อเบื่อนายเป็นไปเพื่อคลายจางเป็นไปเพื่อวิมุติเป็นไปเพื่อหลุดพ้นเป็นไปเพื่อนิพพานมัคมีองแปดท่านแสดงหนทางนี่แหละ นหนทางหนทางหนทางปฏิบัติให้แก่ปัญจวัคคีทั้งห้าเนี่ยทีนี้ท่านก็พูดถึงทรงตรัสถึงมักมีองค์แปดเนี่ยแล้วก็ท่านเน้นหนักสำคัญไปถึงหลัก อ, อ, อาการของอรยิยสัจทั้งสี่เนี่ย อริยสัจ ท, ทั้ง4เนะี่ยอริยสัจ ท, ทั้ง4อ่ว่ารู้ว่าอันนี้ทุกข์อ่าอาการอาการอาการ3รอบ12บสองเรียกว่าอาการ3รอบ12 3 4 12อาการ3ก็คือ กำหนดรู้ว่านี้อันนี้คือทุกข์รู้ว่านี้เป็นทุกข์ท่านรู้ว่ากายเนี่เป็นทุกข์ไม่ใช่เหตุให้เกิดทุกข์นะกายเนี่เป็นทุกข์ทุกควรรู้ว่าเป็นทุกข์พระองค์รู้แล้วทุกควรกำหนดรู้เนี่ยพระองค์รู้แล้วทุกควรกำหนดรู้เนี่ยแล้วก็ ทุกคนกำหนดรู้เนี่ยพระองค์กำหนดรู้แล้วเนี่ยนี่คือคือทุกคือทุกคือร่างกายเนี่ยเป็นทุกจิตใจจิตใจที่ประกอบไปด้วยกิเลสเนี่ยเป็นตัวทุกขแต่จิตใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆไม่ประกอบไปด้วยกิเลสเนี่ยเป็นจิตใจที่พ้นทุกนะแท้จริงการปฏิบัติก็เพื่อชำระจิตที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยให้บริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์ก็เป็นจิตที่พ้นทุกไม่ใช่ตัวทุก มันพ้นจากความเป็นตัวทุกข์แต่ร่างกายเนี่ยเป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์นี่มันไม่ใช่เหตุมันเป็นผลเพราะฉะนั้นท่านจึงให้กําหนดรู้ท่านมีท่านมียานอย่างรู้ว่าอันนี้เป็นตัวทุกตัวทุกอทุกควรกําหนดรู้ทุกควรกาหนดรู้นั่นแหละพระองค์กําหนดรู้แล้วนี่อาการสามรู้ว่าเป็นทุกข์ทุกควรกำหนดรู้และกําหนดรู้แล้ว อสองสมุดสมุดไทยสมุดไทยรู้ว่าอันนี้เป็นสมุดไทยคือสัจธรรมอันนี้เป็นสมุดไทยสมุดไทยควรควรละสมุดไทยควรละนะ น, นะพระองค์ละได้แล้วนนี่เป็นอาการสามนะแล้วอันนี้เป็ น, นอันนี้เป็นนิโรธรอบนิโรธควรทําให้แจ้งพระองค์ทำพระองค์ทําทให้แจ้งแล้วนะอันนี้เป็นมัด มักควรเจริญพระองค์เจริญให้มากแล้วถ้าเรียกว่ารอบสามอาการสิบสองรอบสามอาการสิบสองพอหมุนเข้ามาตรงนี้มันเข้าหลักอริยสัจพอเข้าหลักอริยสัจในเมื่อเราหมุนเข้าหาหลักอริยสัจเนี่ยเราจะทําความเพียรจน หมดทั้งวันทั้งคืนเลยท่านท่านก็ไม่ถือว่าเคร่งเกินไปนะเดินจงกรมจนไม่ได้หลับได้นอนทั้งคืนท่านก็ไม่ถือว่าเคร่งเกินไปนั่งภาวนาจนทั้งวันทั้งคืนตลอดรุ่งตั้งแต่หัวค่ำตลอดรุ่งท่านก็ไม่ถือว่าเคร่งเกินไปเพราะอะไรเพราะเดินถูกทางยิ่งเดินมากไปเท่าไหร่คือเมื่อไหรเรายิ่งขัดสีขัดสีไปเท่าไหร่ก็กิเลสตัณหาหรือไม่กับขี้ฝุ่น ทุลีละอองที่เปื้อนกายของเรามันก็ยิ่งออกยิ่งออกยิ่งออกยิ่งออกยิ่งขัดเท่าไรมันก็ยิ่งออกยิ่งขัดเท่าไรมันยิ่งออกยิ่งใช้ความอุตสาหพยายามขัดทีต่อเนื่องไปเท่าไรมันก็ยิ่งออกยิ่งออกยิ่งออกอมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งเลื่อมประพัดสอนได้อย่างรวดเร็วนี่คือข้ออุปมาว่าทางตึงเกินไปทางหย่อนเกินไปและกับทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยแท้จริงอริยสัจทั้งสี่นั่นแหละ เวลาทํางานไปแล้วเนี่ยคือมรคมีองแปดนะทำงานพอทํางานไปแล้วเนี่เป็นมรคสมังคีพอเป็นมรคสมังคีหมายความว่ามรคทั้ง8ดมันประกอบรวมเป็นองเดียวกันในจิต ด, ดวงนั้นแล้วก็หมุนเข้าหาหลักหมุนเข้าหาหลักเข้าหาหลักอริยสัจทั้งสีนั่นแหละอ่าแล้วก็เป็นเครื่องไปจับชัดแจ้งว่าโอนี่แหละเป็นหนทาง เป็นเหตุให้พระองคพอ์พอพระไทยเป็นเหตุให้พระองค์รู้ว่าภพชาติของพระองค์สิ้นสุดลงแล้วเนี่ยแล้วก็เอาอันนั้นแหละมาแสดงให้กับให้กับปัญจวัคคีฟังเนี่ยในเนื้อหาของธรรมจักรจากนั้นพระอัญ ญ, ญากรชะได้ดวงตาเห็นธรรมพอได้ดวงตาเห็นธรรมก็เทวดาทั้งหลายพระองค์ก็อุทานออกมาเส ก, ก่อนแล้วก็เทวดาทั้งหลายก็อุทานกันนุโมทนาสาธุ ก, การนู่นตั้งแต่เทวดาชั้นจาตุม เสียงกึงกก้องอนโมทนาสาธุการที่มีพระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นคือเป็นประจักพย า, ยานต่อจากต่อจากพระพุทธเจา้าเป็นสองอกับพระพุทธเจา้าเทวดาชันจะตุมกล้องไปถึงชั้นดาวดึงดาวดึงกล้องไปถึงชั้นดุสิตชั้นยามาชั้นอะไรกล้องไปสู่พรหมโลกนั่นเลยเทวดานโมทนาสาธุการที่มีที่มี ที่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกเนี่ยคือรัตนทั้งสามพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยอมีสมบูรณ์บริบูรณ์ประกอบทั้งสามคือวันนี้ระสง์เกิดขึ้นในโลกวันแรมหนึ่งค่ำสองค่ำสามค่ำสี่ค่ำปัญจรัคีทั้งห้าคือ ปัญจวัคคีย์อีกทั้งสี่ทั้งสี่องค์นั่นน่ะในในหลักท่านพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงสแสดงธรรมที่เป็นปกิณกะคําว่าปกิณกะ ก, ก, ก็พูดในแง่คิดน่ะในแง่คิดในแง่หนักในแง่เบาในแง่เหตุในแง่ผลไม่ได้ไม่ได้เทศเป็นสูตรยาวสูตรยาวๆไม่ได้เทศเป็นสูตรสูตรยาวๆแคหแคว่ามาขัดมาเกลามากล่อมมาเกลาเพราะได้ยินได้ฟังมาด้วยกันตั้งแต่ทธรรมจักอยู่แล้วอเทศด้วย อบรมด้วยปกิละกะธรรมคําว่าปกิละกะกฐำนก็คือต้นวาระจิตของฤษีทั้งหมดนั่นแหละตน้นให้อยู่ในวงจํากัดที่พ ร, ระองค์เปิดเผยให้เนี่ยตน้ตนตน้ตนตน้ตนตน้นต้นต้นจนได้ได้เป็นพระสวัสดิ์บัวันหนึ่งได้องค์หนึ่งวันหนึ่งได้องค์หนึ่งวันหนึ่งได้ห้าห้าวันได้ห้าองค์ทีนพอวันที่หกเนี่ยวันที่ห ก, กเท่ากับวันแรมห้าค่ําเดือนแปดเนี่ย แสดงทำพระสูตรที่สองน่ะอนัตตลัคนสูตรอนัตตลัคนสูตรเีว่าด้วยหลักของอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตัวตนรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญานิจจสัางขารานิจจวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญานัตตาสัางขารานัตตาอนันตก็อนัตตาอนันก็อนิจจังอนันก็ทุกขังอนันก็อนัตตาเรียกว่าอนัตต อนัตตลักคณะ ส, สูตรสูตรสูตรที่กล่าวถึงเรื่องความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอัตภาพร่างกายเนี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนในนั้นดูเหมือนแสดงไปแล้วก็ถามไปแล้วก็ตอบไปน ะ, ะแสดงไปถามไปแล้วก็ตอบไปพระสงฆ์ก็รับไปแล้วก็ตอบไปอ ไม่ใช่เจ้าข้าไม่ใช่พระเจ้าข้าไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนพระเจ้าข้าไม่ใช่พระเจ้าข้าไม่ใช่พระเจ้าข้าแสดงไปแล้วก็จิตใจก็เป็นไปด้วยในที่สุดก็หลุดไปเลยพ้นไปเลยบรรลุเป็นพระสารพร้อมกันทั้งห้าองค์คณะลัคนาสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงวันวันววันแรมห้าค่ำแรมห้าค่ำเดือนแปดนี่แหละเข้าพรรษาได้เข้าพรรษาได้ได้ห้าวัน อณาตตลกคณะสูตรนี่คือธรรมะที่เป็นต้นตอของพระศาสดาที่ท่านเอามาบอกมาสอนมาเผยแพร่มาประกาศให้พวกเราได้ยินได้ฟังพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็พยายามใช้ความภาคความเพียรเนี่ยเราคิดดูเวลาเรานั่งภาวนาอย่างเมื่อกี้เรานั่งภาวนานานสักเท่าไหร่ถึงชั่วโมงไหมเมื่อกี้นั่งภาวนาถึงชั่วโมงไหม และจิตเราสงบสักเท่าไหร่อยู่สักกี่ขณะจิตแล้วไปสักกี่ขณะจิตไปถึงกี่ทวีปไปสร้างไปปรุงไปแต่งไปอะไรเทวอะไรบ้างเราสํารวจตรวจตราประเมินผลให้กับตัวเองแหละอยู่หรือไม่อยู่สงบหรือไม่สงบสะดวกสบายหรือไม่สะดวกสบายปลอดโปร่งหรือไม่ปลอดโปร่งถ้าสงบจิตจะต้องดูไปแล้วเหมือนกับสว่างสวัยเหมือนกับปลอดโปร่งเหมือนกับเบาอกเบาใจเหมือนกับแช่มชื่นเบิกบาน มีความสุขมีความเยือกเย็นมีอะไรต่ออะไรอยู่ในภายในมันก็ยิมยิ้มย่องอยู่ในภายในมันชวนดูดดื่มดุชวนให้อยากทํามันเพราะว่าอันนี้เป็นโอชาของธรรมเป็นรสชาติของธรรมถ้าเป็นอาหารก็คือรสชาติของอาหารมันมีรสชาติน่ะถ้าไม่มีรสชาติก็ไม่ติดเราติดในรสชาติอาหารนั้นอาหารนั้นอาหารนั้นโอ้อันนั้นรสชาติดีกว่าอนี้รสชาติดีกว่าเพราะแต่ละอย่างมันมีรสชาติในตัวของมัน ถ้าไม่มีรสชาติมันก็ไม่มีอะไรชวนติดรสชาติของธรรมก็มีเช่นเดียวกันมันเป็นรสชาติที่กระทบเข้าไปที่จิตเป็นรสทัรสชาติที่ถึงจิตถึงใจรสชาติของธรรมต้องมีรสชาติเราได้รับความสงบได้รับความแช่มชื่นได้รับความเบิกบานมันก็ยิ้มยิ้มย่องนะมันชวนให้เราอยากทา มันมีความพอใจมันมีความยินดีมันมีความเพลินใจมันมีความบันเทิงธรรมในตัวนั่นแหละเราเว่าแต่ทางโลกเขามีความบันเทิงรายการบันเทิงอ่เสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงหมอรมเสียงอะไรอะไรเราถือว่าเป็นการบันเทิงบันเทิงธรรมก็มีสรุปลงแล้วก็คือรสชาติของของมันนั่นแหละรสชาติของโลกก็เป็น ง, งนั้นเป็นอ ง, งนั้นเป็นงั้นเป็นเครื่องบันเทิง รสชาติของธรรมมันก็ต้องมีรสชาติเป็นเครื่องบันเทิงมือนกันคำว่าบันเทิงก็คือเพลิดเพลินรื่นเริงอ่ะจิตใจมันเพลิดเพลินมันรื่นเริงไปในธรรมถ้าเราประกอบมาอย่างนี้เราก็ได้รับความรื่นเริงเราก็ได้รับได้รับความเพลิดเพลินเหมือนอย่างเราประกอบภารกิจที่เกี่ยวกับธรรมเนี่ยเราทําแล้วเราก็ยิ้มยิ้มย่องเราเพลิดเพลิน้าเรียกว่าบันเทิงในธรรม เช่นอย่าง Fuel, น เ, นเราสวดมนต์เนี่ยเราสวดสวดด้วยความรื่นเริงอ่าสวดด้วยความบันเทงิงสวดด้วยความเพลิดเพลิ น, นรื่นเริงบันเทิงเพลิดเพลิ น, นมันมีอยู่สวดมนต์เนี่ยเราตั้งใจสวดถ้าเราได้รับถ้าเราได้รับแบบนั้นเนี่ยบุญเกิดขึ้นในใจแล้วแหละแต่ถ้าเราทั้งได้รับทั้งบนทั้งอะไรโอ้ยสวดมากสวดนานสวดยากสวดไม่มีเสียงออกเหนื่อยเสียงยาวเสียงสัง้น โอ้แสดงว่ามันหงุดหงิดแล้วอ่ามันไม่ได้ได้รับความบันเทิงไม่ไม่ได้รับความเพลดิดเพลินเห็นเป็นเรื่องขัดข้องในหัวใจทําไม่ได้พาขัดนั่นนหะมันมีตัวพาขัดอะไรพาขัดน่ะตัวที่พาขัดคืออะไรออานั่นแหละตัวมันนั่นแหละล่ะตัวมันนั่นแหละน่ ะ, นะตัวกิเลนั่นแหละมันพาขัดเน่ะตัว กิเลสมันพาขัดข้องมองใจแล้วนะทั้งๆที่เราพาพามันไปสู่หนทางทิศทางที่ดีงามพาจิตใจไปสู่ทิศทางที่ดีงามกิเลสมันก็ดึงไปมันก็ยื้อไปแย่งไปเขยื้อไปเราพยายามดึงมาทางธรรมกิเลสมันมันก็พยายามดึงเข้าไปเราดึงมามันก็ดึงไปเราดึงมามันก็ดึงไปดึงกันอยู่นั้นเนี่ยในที่สุดมันก็ต้องแพ้เราเพราะตํานานมีอยู่แล้วเพราะพระพุทธเจ้าดึงชนะมาแล้วพระสงฆ์สาวกท่านดึงชนะมาแล้ว ก็เราเดินจเจริญเร จ, เ ร, จเ ร, ราบรอยตามท่านเราคิดถึงตรงนี้เออท่านท่านดึงชนะเป็นแบบเป็นฉบับไปแล้วเราก็ดึงไม่หยุดไม่หย่อนะ่ะดึงเรื่อยๆดึงบ่อยๆดึงจนได้ดึงจนอยู่แหละต้องการให้สงบแล้วก็ทําจนจนสงบสงบบ่อยครั้งเข้าสงบบ่อยครัง้งเข้าเราหากเห็นแปลกประหลาดอาัศจรรย์ในจิตของเราอ่ะมันแปลกมันจะไม่คงที่อ่ะมันจะขยับไปเรื่อยเท่ามันจะขยับไปเรื่อยเท่ามันจะขยับไปเรื่อยเท่ามัน มันก็ได้กําลังใจได้คื อ, อกิตกิจใจพอจิตเริ่มสงบเนี่ยเมื่อก่อนนั้นไอ้คำว่าสัจธรรมสัจธรรมเนี่ยเราไม่รู้เรื่องหรอกเมื่อก่อนนั้นนะพอจิตเริ่มสงบเนี่ยสัจธรรมเนี่ยเราจะค่อยรู้ค่อยซึมซับเข้าไปคือความจริงทั้งหลายมันจะค่อยๆยเริ่มมาปรากฏที่จิตของเราไม่ว่าจะเ ป, เป็นสิ่งอยู่นอกตัวไม่ว่าจะเป็นสิ่งอยู่ในตัว สิ่งนอกตัวก็คืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์เนี่ยมันเริ่มปรากฏเป็นสัจจสัจธรรมนะถ้าจิตมีสมาธิน่ะมันมันจะบอกนะมันจะเริ่มปรากฏเป็นสัจธรรมบางทีมันอยู่อยู่มันมก็โผล่ออกมาเข้ามันบางทีมันก็อยู่โผล่ออกมาเข้ามันมันเป็นเองนะแล้วก็สัจจธรรมข้างในเนี่ยอย่างร่างกายนี่พอเรากําหนดแล้วมันก็ซื้ลงไปอย่างนี้นะคือคือสัจจะธรรมมันดูดแต่ถ้าจิตไม่มีความสงบ ไม่มีสมาธิเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานเรากําหนดเราคาดเราเดาไปกิเลสมันคอยมายื้อแย่งกันอยู่เรื่อยเพราะว่ามันจิตมันหิวมันกระหายกิเลมันกิเลมันชุ่มปแปรอยู่นะ่ะในเมื่อกิเลชุ่มปแปร่อยู่มันคอยจ ะ, จะดึงออกเราดึงมาเดี๋ยวมันคอยจะดึงออกเราดึงมามันคอยจะดึงออกครูบาอาจารย์ท่านจึงจึงให้ให้ทําความสงบให้มีสมาธิให้มีสมถะ เสร็จแล้วเราก็ามาพิจารณาเป็นวิปัสนานีหลวงตาท่านสอในให้เดินสองอย่างนี่แหละสลับกันไปทําสงบก็ให้ทําให้สงบทําให้สงบเสร็จแล้วเมื่อสงบมากๆขาเข้าก็เอามาพิจารณาสัจธรรมมันเริ่มปรากฏเราก็จับจับสัจธรรมนี่แหละมามาพิจารณามามาพิจารณานีถ้าหากมันยังไม่หากมันยังไม่ปรากฏหรือปรากฏแบบจางๆไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเจน แล้วก็ฝึกเข้าไปซ้อมเข้าไปต้างให้พิจารณาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังหัดแยกแยะเพราะเราติดความเป็นก้อนความเป็นแท่งติดก้อนติดแท่งความเป็นก้อนเป็นแท่งนี่แหละทำให้เราสําคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเหมือนเหมือนอย่างตัวเราตัวของเราเนี่ยเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นหัวเป็น เป็นหัวเป็นลำตัวเป็นแขนเป็นขาเงี้ขาสองแขนสองลำตัวแล้วก็หัวเนี่้นี่เป็นก้อนเป็นแท่งเราเห็นเป็นก้อนเป็นแท่งนี่แหละว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของตรรมะเนี่ยเราดูไปแล้วเนี่ยไอ้คาว่าเป็นตัวเป็นตนมันจะละเอียดลึกเข้าไปอีกนะพอเราทําแล้วไอ้ตัวที่เราถือเป็นตัวเป็นตนหยาบหยาบนี่ยมันก็จะบอกเรามันจะเข้าใจ อ๋ออันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นแท่งเพราะเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราแยกแยะพิจารณาแยกแยะว่าเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราพิจารณาเอาผมมากองหนึ่งขนกองหนึ่งเล็บกองหนึ่งฟันกองหนึ่งจนครบอาการสามสิบสองสามสิบสองกองเอามากองไว้เฉพาะหน้านั่งทมกองเอามากองอยู่เฉพาะหน้าน่ะนะ เป็นการหัดแยกแยะเพื่อท ำ, ทำลายความเป็นก้อนเป็นแท่งทำลายอัตตาตัวตนแท้จริงตัวอัตตาตัวตนแท้แท้ก็คือเป็นเรื่องของกิเลสนั่นแหละมันเกิดขึ้นที่ใจกิเลมันไม่ไม่เกิดขึ้นที่กายมันเกิดขึ้นที่ใจร่างกายเป็นเครื่องมือของมันร่างกายเป็นเครื่องมือของมันมันเกิดขึ้นที่ใจเสร็จแล้วมันก็ย้อนมาที่สะท้อนมาที่กาย เกิดขึ้นที่ใจแล้วก็สะท้อนมาที่กายมีความกำหนัดที่จิตมันจึงสะท้อนมาที่กายนะเกิดมาที่จิตแล้วก็มันก็สะท้อนมาที่กายแต่บางครั้งร่างกายเวลามันสมบูรณ์จริงๆมันคึกขนองไปตามภาษากายเนี่ยกายมันก็มีความคึกขนองได้เช่นเดียวกันถ้าหาก มันได้อาหารที่บำรุงบำรเลมันเต็มเปี่ยมเต็มอิ่มด้วยอาหารบางสิ่งบางอย่างเนี่ยกายมันก็คึกขนองได้เช่นเดียวกันมันมีกําลังวังชามันอ้วนมันพีมันอะไรตัวอะไรเนี่ยอ่ามันก็คึกขนองได้เช่นเดียวกันถ้าแบบนี้เราก็จับว่าอ้าวพอกายมันชักกําเริบเนี่ยมันก็ส่งมาที่จิตจิตก็จับต่อเข้าไปอีกบางทีบางทีกายไม่ได้กําเริบได้จิตกําเริบ จิตก็ย้อนมาที่กายเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องมันก็ผูกพันกันอยู่อย่างนี้แหละตัวกิเลสตัวความอยากมันเกิดขึ้นที่จิตทีนี้เวลาเวลาเราทำเราทํางานสิ่งนี้เราก็เอาจิตมาทําเหมือนอย่างที่เรานั่งกําหนดพิจารณาเป็นผมกองหนึ่งขนกองหนึ่งเล็บกองหนึ่งฟันกองหนึ่งอาการสามสิบสองเอามากองกองกองกองกองกองกองเราใชเา้เอาอะไรมาทําเราเอาสัญญาณแอะมาทำํำเราเอาสติเอาซ้ำ พจนยะล้เอาสมาธิและมาทาเอาสัญญามาทำเพราะถ้าเราไม่เอาสัญญามาเดินก่อนเนี่ยตัวปัญญาจะตามมามันก็ไม่มีทางเดินปัญญาเนี่ยมันจะเดินตามสัญญาเพราะสัญญาเนี่ยเป็นเครื่องมือฝ่ายฝ่ายนามรูปร่างกายของเราเนี่ยเป็นเครื่องมือฝ่ายรูปสัญญาเป็นเครื่องมือฝ่ายนามสัญญามีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่จิต สัญญาเกิดขึ้นที่จิตดับที่จิตอาศัยอารมณ์ันเดียวกันกับจิตคาดหมายไปที่จิตเดาไปที่จิตสัญญาความจำได้ความหมายรู้เวลากิเลสมันจะแทรกเข้ามามันก็แทรกมาที่สัญญาเวลาเราจะกิเลสมันจะดับมันก็ดับไปที่สัญญาเวลามันจะแทรกมาก็มันก็แทรกมาที่สังขารเวลามันจะดับมันก็ดับไปไปที่สังขาร เวลามันจะแทรกกระแทกมาที่วิญญาณเวลามันจะดับก็ดับไปที่วิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นเครื่องมือฝ่ายนามธรรมมันเป็นเครื่องมันเป็นมันเป็นอุปกรณ์มันเป็นเครื่องมือละเอียดลึกเข้าไปทําให้เราทำให้ทำให้เรามีเครื่องมือในการทํางานเราพิจารณาการพิจารณาแบบนี้ก็คือพิจารณาเพื่อเพื่อกระจายเพื่อแยกเพื่อแยก เพื่อทำลายความเป็นก้อนก้อนทำลายความเป็นแท่งแล้วก็หาหลักความเป็นจริงของมันนะมันเป็นอัตตาจริงหรือมันเป็นตัวตนจริงหรือหาไปหาไปหาไปหาไปด้วยกิริยาที่จิตทำงานอยู่ทำไปทำไปก็จะต้องได้ประสบจะต้องได้พบจะต้องได้เห็นความไม่เที่ยงความไม่คงทนความเปลี่ยนแปลงของมันร่างกายเราเห็นง่ายจิตใจเป็นง่ายกว่า จิตใจเป็นง่ายกว่าร่างกายอีกร่างกายเปลี่ยนแปลงยังช้ากว่าจิตใจอีกเพราะฉะนั้นในเมื่อเราทราบภาวะของกายแล้วเราน้อมมาใส่กับภาวะที่จิตมันก็เลยเป็นเหตุเชื่อมกันสัมพันธ์กันทำให้เรามีความเข้าใจทั้งข้างนอกมีความเข้าใจทั้งข้างในก็ทาไปเรื่อยขัดกลาไปเรื่อยทาความสว่างให้กับจิตของตัวเองไปเรื่อยหัดเพิ่มพูนสติปัญญาเข้าไปเรื่อยปัญญาก็ ทำให้จิตได้รับความปัญญาก็ทําให้เราเพิ่มปัญญาขึ้นมาเรื่อยปัญญาก็หนุนหนุนสมาธิสมาธิกัหนุนปัญญาปัญญากัหนุนสมาธิสมาธิกัหนุนปัญญาก็แก่กล้าเพื่อเรื่อยแก่กล้าไปรเรื่อยแต่การที่เราจะตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งแต่ทีแรกๆได้กว่าจะขยเยอกันได้จะเอามาทํางานตรงสนามอย่างที่ท่านอย่างที่ท่านพูดถึงในธรรมจักนะรน่ยรอบสามอาการสิบสองเนี่ย กว่าจิดมันจะมาหมุนอยู่ตรงนี้ความมันจะมาหมุนอยู่กับอริยสัจทั้งสี่เนี่ยกว่าจะลงมันลงสนามอยู่ตรงนี้ได้นเนี่ยมันก็ต้องฟิตฟิตฟิตกันพอสมควรอ่มันต้องฝึกฝนอบรมกันพอสมควรนีสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดก็คือความสงบเราก็ต้องตั้งใจทําให้ได้กับความสงบอย่าไปตำหนิว่าความสงบอยู่กับที่ไม่ได้อะไรอย่าไปตำหนิ บางคนตำหนิทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ยังไม่มีอ่กลัวเป็นเสียฐีตั้งแต่ยังไม่ได้หาอะไรได้สักบาทเนี่ยแบบนี้ก็เมื่อไหร่จะได้สักสตังค์มันไม่ได้แหละครูบาอาจารย์ท่านสอนอบางคนก็ไปสอนว่าพิจารณาไปเลยไม่ต้องทำความสงบแล้วก็ตําหนิความสงบอีกต่างหากแบบนี้ก็แบบนี้ก็ัอ จิตหิวโหยตลอดเวลาแล้วเอาไปทํางานมันก็ทะเลาไายออกนอกทางทะเลาไายออกทะเลาไหลออ ก, ออกมันไม่ได้อยู่กับงานที่ไหนพอทําไปทําไปกิเลส ก, ก็แสรเข้ามาทำสักหนึ่งกิเลสมันก็แสรเข้ามาความสงบของจิตมันเป็นพลังอย่างหนึ่งที่มีอยู่ภายในจิตมันสามารถเป็นพลังอย่างหนึ่งที่สามารถกั้นกระแสดได้ กัน้นกระแสกระแสของกิเลสที่มันจะทะลักเข้ามาที่จิตสติกับสัมผชัญญะผู้ที่มีความสงบคือผู้ที่มีสติดีมีสัมผชัญญะดีถ้าสติไม่ดีสัมผชัญญะไม่ดีเราจะคิดว่ามันจะสงบได้มันสงบไม่ได้ดอกผู้ที่มีจิตสงบมีสมาธิเนี่ยเป็นผู้ที่มีสติดีมีสัมผชัญญะดีตื่นเนื้อตื่นตัวตลอดนะตัวสติตัวนี้หละมันจะเป็นตัวกัน้น กั้นกั้นกระแสของตัณหาที่มันจะทะลักเข้ามาทับท่วมหัวใจกระแสกิเลสตัณหานี่สามารถกั้นได้ด้วยด้วยสติด้วยสัมปชัญญะสติเป็นเครื่องกั้นกระแสแต่กระแสเหล่านี้จะต้องถูกตัดขาดได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ตัดขาดได้ด้วยสติสติก็เพียงระลึกได้ระลึกทันรู้ทันเท่านั้นเองแต่ว่าปัญญาจะต้องขุดคุยขุดค้นขุดคุยขุดค้นหาอะไร หาเหตุของมันหาปัจจัยของมันหาต้นต่อของของมันหาสมุดฐานของมันหาจนพบหาจนเจอเมื่อหาพบหาเจอแล้วมันก็ไม่สงสัยเปิดเผยว่าเอออะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นผลของอะไรรับรู้รับทราบรั บ, ร บ, ร บ, รบเข้าใจเหมือนกับเราหงายของที่เราอะไรไปปิดไว้งายขึ้นมาแล้วอ๋ออันนี้เองอ๋ออันนี้เองอเราไปตั้งใจเฉยๆตั้ง ตั้งใจปล่อยวางตั้งใจถอดถอนตั้งใจทําอะไรตั้งใจเฉยๆไม่มีไม่มีวิธีการเนี่ยเป็นไปไม่ได้คือไม่มีเหตุผลพอไม่มีเหตุผลพอที่จะทําให้ผลต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นได้เพราฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงจึงเน้นเน้นให้ได้รับความสงบเพราะมีความสงบแล้วก็เท่ากับมีเครื่องกั้นปิดกั้นถ้าเป็นเรือถ้าเราถ้ า, ถาเทียบกับเป็นเรือก็เรือเราเนี่ยไม่รัว่ว ไม่รั่วไม่ทะลุโอกาสที่น้ําจะแทรกเข้ามาก็ไม่ได้เราจะให้มันไปเร็วไปช้ามันก็ไปได้เท่านั้นแหละเราไม่ให้กระแสะกิเลสเข้ามาทับท่วมหัวหจิตหัวใจของเราเท่ากับว่าใจของเราก็ไม่รั่วถ้าเราจะเทียบกับลังคาก็เหมือนลังคาไม่รั่วฝนจะตกมาเท่าไหร่มันเราก็ไม่เปียกฝนความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากกิเลสตัณหาที่จะมาทับท่วมจิตของเราให้ใหได้รับความทุกข์ มันก็มาทับมันก็มาทับให้เราได้ได้รับมันก็ไม่มาทับให้เราทุกได้เหมือนกับฝนมันทะลุหลังคามาเปียกเราไม่ได้อย่างนั้นแหละพราะเรามุงดีแล้วสติเราดีเป็นสามัญชยะเราดีเรามุงไม่ให้มันรั่วไม่ให้มันทะลักเข้ามาได้ยินได้ฟังแล้วพวกเราก็ตั้ง อ, อกตั้งใจทําอ่าวันนี้พอสมควรแก่เวลาแลนะ้วเนาะ